เจตเกิดโมเจตภู ม, ภมทำรู้อสุภะกรรมาฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาเวลาพุโทโธพุโธจิตไม่อยู่กับโพโตปล่อยให้มันคิดไปแล้วทําสติตามรู้ไปในที่สุดจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันในในข้อนี้ขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า การที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นอามาบริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธเป็นต้นเราจะต้องทํางานถึงมสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิดประการที่สองทำสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุโทโธคํานั้นนี่เราทํางานเึ็มสองอย่างซ้อมกันไป แต่ถ้าจิตของเรามีความคิดอยู่โดยปกติเราเพียงแต่ทาส ต, ติกำหนดตามรู้ความคิดเท่านั้นลองหลับตาเึกดูสิว่าการทำอย่างนี้เราจะมีงานทำเพียงหน้าที่เดียวเพราะพุโทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทาส ต, ติควบคุมจิตให้มันนึกพุโทโธอยู่อีก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 ในตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตมม่คิดอะไรขึ้นมานี่เขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูที่นี่หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิด ความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือเป็นการพิจรารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นขลรวาสผู้ครองเย้าเรือโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเทศที่ต้องใช้ความคิด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 เรียยดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมาฐานทันีิทำสติกำหนดตามรู้สิ่งนั้นๆที่เราจิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบตูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกคตาได้เหมือนกันที่ได้เจ็ดเมื่อสงบลงเป็นเอกเอกเอ ก, เอกคาคือความเป็นหนึ่ง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 เพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือตัวมดบัญญัติเพราะฉะนั้นเจตสมถะในขั้นใดๆก็ตามท้าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียด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 สมถานี่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสองผ่านการค้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสามผ่านการตามรู้การคิดและอารมณ์เมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดี การพิจารณาแบบตามหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐ า, านก็ดีหรือการตามรูปความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่าง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพรยายามปฏิบัติให้มันถึงจันกันทักทีเราจะได้เลิกเสียงกันต่ิไเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทบทำมากก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแฝ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 จะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติลงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องยานเรื่องทานพักไปขอดอย่าเพิ่งไปไฝ่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่วอการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่ง ทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจรารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ทานอะไรก็ทังขอให้ได้สติ ในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาแล้วเท่นอย่างการภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธในตอนแรกๆนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุโทโธแต่เมื่อท่านนึกพุโทโธจนคล่องตัวแล้วจนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่นใาแก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแกท่องพุโทโธขั้นแกอยู่สิบห้าวันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุโทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจ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 บางทีเกิดตกใจนกว่าไฟไหม้บ้านทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกำหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าเออที่ได้งานของอาตมาเสร็จเพลินวันที่สามพอลงเท้าวันที่สี่แกก็ไปแล้ว อันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติยางงูงูปายาย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุดโทได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นธมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คาว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้ แต่แ้าที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไปขึ้นมาและเจตว่างใจยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายึยดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุกหะนิมิต แต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จเะก่อนจริงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าเออพอ ง, งานเสร็จแล้วแกก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวทีนี่ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด เมื่อประมาณสักเดือนเสร็จเสร็จมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่าโนโปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้ตั้งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปเจดกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมา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 ไปทำเจตทำใจให้เข้าในลักษณะที่ว่าชิงสุขก่อนหามที่เราทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้มากเกินไปโลมากเกินกว่ากำลังของเราจะรู้ได้พรา ะ, ะนั้นจึงให้คติเตือนใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆหนึ่งใจเย็นๆสองเชื่อสมรถภาพของตัวเอง สามใช้ความภาพเพียนพยายามมากๆเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิในสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเองแม้ว่าใครภาวนาแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้ยานไม่ได้ทานอย่างท่านที่อย่างที่ท่านว่าก็ตามแม้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตาม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 ที่นี้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดจะทำปานาธิบาเแ่นยงมากัดเราก็ยังอยากจะตกแต่เมื่อมหัสภาวนาแล้วเราได้สติดีขึ้นแม่จิตจะยังไม่เป็นสมาธิแต่เรางดเว้นบาปตามตามหลักของศีลห้าได้โดยเด็ดขาดและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติได้ผล หาใจมันยังเล็กอยากจะตบยุ่งอยู่แล้วก็ยังแสดงว่ายังไม่มีพลังเข้มแข็งเพียงพอถ้าเราจะไปมุ่งเอาแต่ฌานแต่ความสงบแต่ญาณอะไรต่างๆตามที่ว่านั้นเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะเกิดท้อถอยไม่อยากปฏิบัติเราต้องเก็บเอาส่ว น, ยว น, ยนอยากจากส่วนหยาบนี่ยไปก่อนที่จะได้ส่วนละเอียดที่เราต้องได้ส่วนหยาบซะก่อน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 เกี่ยวกับหลักการที่จะทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันข้อเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำกรรมฐานนี้จะต้องทำจิตให้มีสิ่งลู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราจะมีหลักการปฏิบัติได้ในสามหลัก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 จึงปล่อยให้คนอื่นเข้ามาส่งอันนี้คำตอบก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านู้นั้นก็อยู่ในตัวของเขาแต่ว่าในเมื่อเขาน้อมจิตน้อมใจของเขาให้ตกอยู่ในอำนาจของวิญญาณแล้วเขาเจึงไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้านกับวิญญาณนั้ น, น, นได้ อันนี้มีตัวอย่างมีตัวอย่างคือมีนายคนหนึ่งอยากจะทดลองการส่งวิญญาณอาสาไปเชิญหมอส่งวิญญาณหมอทำพิธีส่งวิญญาณมามาก็มาทำพิธีตามแบบของเขาแล้วเขาก็ผู้ที่ต้องการอยากจะส่งวิญญาณนั่นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ เขาก็ให้บริกรรมคาถาตามแบบของเขาในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตก็มีความสงบลงมีปีติมีความสุขเหมือนกับที่เราบริกรรมภาวนาธรรมดา <c oughs> แต่เขาตั้งใจจะรับการทรงนั้นอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีโูปร่างของวิญญาณที่เขาเถินมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้า เมื่อปรากฏตัวแล้วเขาก็น้อมจิตน้อมใจรับการส่งวิญญาณนั้นก็เข้ามาส่งทันทีในเมื่อเข้ามาส่งแล้ว <c oughs> ความรู้สึกร่างเดิมก็เข้าเปลี่ยนไปในทันทีทันใดปีเตละลต่ความสุขหายยังเหลือแต่ความแน่นในหน้าอกแล้วหนักไปทั้งเมื่อทั้งตัวในขณะนั้นเขายังมีสติเป็นของต้องตัวอยู่แต่เขาก็พยายามนึกต่อต้าน ก็าบอกว่าการทรงนี้ไม่ดีการทรงนี้ไม่ดีเพราะไม่ใช่ความสุขพอถูกทรงแล้วหนักตัวปวดศีรษะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของวิญญาณทรงทีนี้นแต่เมื่อภายหลังเมื่อการทรงผ่านพ้นไปแล้ว <c oughs> ทีหลังเขาก็ไม่คิดว่าต่อไปเราจะภาวนาเอาตรงที่มันมีปีติมีความสุข จะไม่ให้วิญญาณเข้าส่งแต่เมื่อจะภาวนาจะทำอย่างไรก็ต้องขอยืมคาถาของอาจารย์ผู้ทำพิธีส่งมาบริกรรมภาวนาพอบริกรรมภาวนาพอจิตสงบมีปิติมีความสุขเจ้าวิญญาณที่เคยส่งนี่ก็โผล่หน้ามาทันทีในตอนนี้เขาแข็งใจเขาเึกว่าไม่ยอมให้ส่งไม่ยอมให้ส่งเขานึกอยู่อย่างนี้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 ยังไม่ถูกอะไรมาเก่อเกลืมาเกาะให้เกิดกิเลสโลกโลกรธหลงขึ้นมาภายหลังตอนแรกๆนี่ทํานายอะไรก็แม่นแม่นแม่นม่นแต่ว่าเมื่อ น, น, า, นานไปแล้วความแม่นมันจะจะหายไปหมดเหมือนเหมือนกับอาจารย์ให้หวยมันก็แม่นแต่ทีแรกต่อไปแล้วมันก็ไม่แม่นไอ้เรื่องของวิญญาณนี่ก็เหมือนกัน บางอย่างเราก็พอเชื่อถือได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้มีมีผิดบ้างถูกบ้างเพราะวิญญาณนี่ก็ไม่ใช่ผู้พิเศษที่เหนือมนุษย์เราเท่าไหร่นักหรอกถ้าหากคม็มนว่าอย่างพวกเรานี่ภาวนาทำจิตให้มันเป็นสมาธิมีอะไรดีๆกันจริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำลายท า, ายทักเนตาของตน